พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14ปพระสูตรที่25ธทันตะภูมิสูตรสูตรว่าด้วยภูมิหรือภูมิหรือสถานที่ที่ฝึกไว้พระผู้มีพระภาคประทับนเวลุวนารามชยเสน ร, ราชกุมารราชโอรสของพระเจ้าพิมพิาสารเสด็จดำเนินเล่นตรัสสนทนากับสามเณรรูปหนึ่ง ผู้บวชไม่นานผู้อาศัยอยู่ในกุฏิในป่าเมื่อทรงขอให้สามเณรแสดงธรรมสามเณรออกตัวต่างๆในที่สุดก็ทรงแคนไขให้แสดงจนได้เมื่อแสดงจบแล้วราชาปมารตรัสว่าเป็นไปไม่ได้ที่ภิกษุผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญเพียรจะบรรลุความเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง สัมมเนนจึงนำความมากราบทูลพระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าชยาเสน ร, ราชกุมารอยู่ในท่้ำกลางกามที่จะรู้เห็นถึงสิ่งที่พึงรู้เห็นได้ด้วยแนคขมมะคือการออกจากกามนั้นยอมเป็นไปไม่ได้ครั้นแล้วทรงแสดงธรรมแก่สา ม, มเนนเปรียบเทียบให้เห็นความต่างกันระหว่างช้างม้าโคที่ได้รับการฝึก กับที่ไม่ได้รับการฝึกว่าจะให้ไปสู่ที่หมายได้ต่างกันอย่างไรหรือเปรียบเหมือนคนหนึ่งยืนบนยอดเขาอีกคนหนึ่งยืนอยู่เชิงเขาจะให้เห็นอะไรอะไรเหมือนผู้ยืนอยู่บนยอดเขาอย่างไรและได้ส่งแสดงข้อเปรียบเทียบอื่นอีกรวมทั้งข้อที่ผู้ออกบวชบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่บำเพ็ญฌ า, านได้วิชาสาม มีความสิ้นอาสวะในที่สุดพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่26ภูมิชสูตรสูตรว่าด้วยพระเถระชื่อภูมิชะพระผู้มีพระภาคประทับณเวลุวนาวราม เช้าวันหนึ่งท่านพระภูมิชะเข้าไปที่ยังที่ประทับของชยเสน ร, ร, ราชกุมารนั่งเหนืออาสนะที่ปู่ลาดไว้ชยเสน ร, ร, ราชกุมารกล่าวว่าบุคคลจะทำความหวังหรือไม่ก็ตามปราพฤิพรหมจันท ร, ร์ก็ไม่ควรจะบรรลุผลได้ท่านพระภูมิชะอุ่นตอบว่าท่านไม่ได้ฟังมาจากพระผู้มีพระภาค แต่ก็เชื่อว่าจะท่งตอบว่าไม่สําคัญที่ทำความหวังหรือไม่ทำถ้าประพุทธพรมอจารย์โดยไม่แยบคายคืออะโยนิโสก็ไม่ควรบรรลุผลแต่ถ้าประพฤติพรมอจารย์โดยแยบคายก็ควรบรรลุผลได้ราชกุมารกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นศา ส, สดาของท่าน ก็เหมือนยืนอยู่บนศีรษะของสมณะพราหมณ์ทั้งปวงแล้วได้ถวายอาหารของพระองค์ให้ท่านพระภูมิชะฉันท่านพระภูมิชะกลับมากราบทูลพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าที่ตอบไปนั้นไม่ผิดและได้ส่งชี้แจงเพิ่มเติมเปรียบสมณะพราหมณ์ผู้มีความเห็นผิดจนถึงมีความตั้งใจมั่นผิด ประพืชปรหมจันทร์จึงไม่ควรบรรลุผลว่าเหมือนคนต้องการน้ำมันแต่ไปคันน้ำมันจากทรายหรือต้องการนมโคแต่รีดนมจากเขาโคต้องการไฟแต่เอาไม้สดชุ่มด้วยยางมาสีให้ไฟติดครั้นแล้วส่งแสดงการปฏิบัติถูกในทางที่ตรงกันข้าม พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่27อนุรุธทธสูตรสูตรว่าด้วยพระอนุรุธทธะเถระพระผู้มีพระภาคประทับนาเชตวนาวรามช่งมางไม้ชื่อปัญจกังคะส่งคนไปนิมนต์พระอนุรุธพร้อมด้วยภิกษุอื่นอีกสามรูปรวมทั้งหมดเป็นสี่รูปไปฉันที่บ้านเมื่อฉันเสร็จแล้ว จึงถามปัญหาถึงเรื่องอัปปมานาเจโตวิมุตต์คือความหลุดพ้นแห่งจิตอันไม่มีประมาณกับมหักคตาเจโตวิมุตต์ความหลุดพ้นแห่งจิตที่เป็นฌานมีอัฏฐะหรือหมายความและพยัญชนะคือตัวอักษรต่างกันหรือว่ามีอัฏฐะอย่างเดียวกันมีพยัญชนะต่างกันพระเทระตอบว่ามีอัฏะและพยัญชนะต่างกัน โดยอธิบายว่าอปปมานาเจโตวิมุตตได้แก่การแผ่จิตอันประกอบไปด้วยพรหมวิหารสี่มีเมตตาเป็นต้นแผ่ไปอันหาประมาณจำกัดไม่ได้ไปยังโลกทั้งปวงทั้งหกทิศรวมทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างส่วนมหัคคตาเจโตวิมุตตได้แก่การเจริญฌานคือแผ่กสินนิมิตไป กำหนดขอบเขตเพียงโคนไม้แห่งเดียวบ้างสองถึงสแห่งบ้างกำหนดสองถึงสเขตบ้านบ้างกำหนดแว่นแคว้นใหญ่หนึ่งบ้างสองถึงสบ้างกำหนดแผ่นดินมีสมุดเป็นขอบเขตบ้างแล้วได้อธิบายเพิ่มเติมและตอบปัญหาของพระอภิยากัจจานะอีกเกี่ยวกับเรื่องเทพที่มีแสงสว่าง